วันที่17มกราคม2532แต่ว่าวันนี้เป็นการบันทึกในรายการของวันที่13มกราคม2532ขอโทษเป็นรายการบันทึกของวันที่4มกราคม2532เมเมื่อวันที่4บรรดาท่านพุทธบริษัทวันนั้นอาการทางท้องเครียดมาก พอพูดอย่างนี้บรรดาท่านผู้บริษัทจะสงสัยว่าการพยากรต่างๆที่ท่านพยากรไว้วร่างกายจะดีขึ้นทําไมจะมีอาการปวดอยู่อีกก็ต้องขอตอบว่าขณะที่ท่านพยากรที่กะบอกแล้วว่าร่างกายจะดีขึ้นแต่บางส่วนยังเป็นอยู่ร่างกายจะดีจริงๆต้องปรับปรุงกันถึงสองปีร่างกายจึงจะสมบูรณ์ สำหรับเวลานี้บรรดาท่านพุทบริษัทท่านด้านประสาท ต, ต่างๆของร่างกายที่ดีจริงๆทุกส่วนดีหมดหรือว่าแต่ต่างทางท้อ ง, งส่วนเดียวโดยสมัยก่อนมันเสียทั้งร่างทั้งกายประสราททั้งร่างกายเสียหมดจริงอะไรเข้าไปลําไส้ก็มีการโดดซึมทุกสั่งทุกอย่างขางร่างกายทุกอย่างที่จะทำขึ้นมาได้ต้องอาศัยท้ามหาราชช่วย เวลานี้ถ้าเวลาท่านกับเบาคุณคุมเฉพาะภายในเรื่องทางท้องยังเป็นอยู่บรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่ า, าการเป็นก็เบาลงน้อยอาการลงมันเป็นจริงๆเวลาประมาณสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มยังมีอาการเคลือบแผนในตอนนี้แต่กลางจริงและกลางคืนทั้งคืนเอาศส่ไม่ได้เลยจะต้องนอนก่อนหลังเวลาห้าทุ่มเสมอไปเพราะท้องถ่ายไม่ปกติ มันถ่ายจริงแต่ก็ถ่ายไม่หมดอันนี้บรรดาแทนพนบริษัทก็เป็นเรื่องละก ร, รมลําบากจุมหนึ่กันแต่ไม่เป็นไรส่วนอื่นมันดีได้แล้วมาว่ากันถึงเมื่อคืนวันที่สี่มกราคม2500สองพันห้าร้อยสาิสองคืนนั้นตอนหัวค่ำคือตั้งแต่สี่โมงเย็นมากว่าอาการเครียดจัดในท้องร้อนมากร้อนมาถึงคอร้อนค่อห้ไฟลวก ร่างกายสุดสมเดินไปก็ส่วนไปเสมาเห็นท้าจะจะจะไม่ไหวจะเรียกใครเข้ามาอยู่ใกล้ๆก็รู้สึกว่ามันจะเกิดความรำคาญทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ที่คาว่าไม่เกิดประโยชน์ก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ใกล้ก็ช่วยอะไรไม่ได้จะนอนพ้นทุกขเวทนาไปตามเรื่อง ขณะที่ร่างกายมีทุกขเวทนาอย่างมากก็มีความโลภสิวา่าความตายเข้ามาใกล้เต็มทีอย่างนี้เราจะมีความประมาทเพื่อประโยชน์อะไรเราจะเกาะร่างกายด้วยความจริงขึ้นคืร่างกายจิตใจไม่เกาะมานานแล้วถ้าจะถามว่าไม่เกาะทาไมยังต้องกินข้าว ก็ต อ, องขอตอบว่าพระพุทธเจ้าเองทรงบรรลุอบิเษกสัม ม, สมาสัมโพธิญาณก่อนใครๆเวลาที่ร่างกายยังไม่ตายด้วยองค์สมเด็จระจอมไตรก็ทรงเสวยพระกยาเหมือนกันคำว่าไม่เกาะไปที่จิตมันไม่เกาะจิตมันมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนด้วความตายเข้ามาในไม่ช้านี่แน่เอาแตนแค่นี้นะ ถ้าจะถามว่าเจ็บไหมก็ต้องตอบว่าเจ็บปวดไหมก็ตอบว่าปวดตัวตายไหมถ้าใครจะมาฆ่าให้ตายนี่กลัวถ้ามันจะตายเองกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายก็เตรียมตัวเพื่อตายวิธีการเตรียมตัวเพื่อตายก็คือรวบรวมกำลังใจซึ่งมันก็รวมไม่ยากปกติใจมันรวมอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเห็นว่ามันไม่สวยทั้งหมด มันไม่มีอะไรสวยเป็นปกติคนก็ไม่สวยวัตถุก็ไม่สวยอะไรมันก็ไม่สวยจะดูความมั่นคงของคนค น, คนก็ไม่มีความมั่นคงทุกคนก็แก่ไปทุกวันทุกคนก็ต้องตายวัตถุก็มีการสูญสมร่างกายเราก็จะต่างร่างกายเราก็เป็นวัตถุส่วนหนึ่งอันนี้จิตใจไม่ผูกพันมันในลักษณะนี้ จึงตัดสินใจว่าการอยู่ตรงนี้เต็มไ่ทุกเวทนาถอยออกจากร่างกายดีกว่าก็เลยถอยออกจากร่างกายอย่าลืมนะว่าส่วนใดของหมดที่สามและหมดที่สองสอนเขาอื่นเขาได้ตัวเองก็ต้องทำได้ถอยออกจากร่างกายไเข้าไปกราบพระทันก็นมีพระอยู่พระใหญ่สองสามองค์ ปิ้งปงแล้วสององท่านอยู่เป็นประธานแล้วต่อมาท่านก็มาอีกวงทั้งหมดเป็นยี่สิบแปดงกราบท่านก็คุยกับท่านว่าสถานที่นี้เต็มได้วยความสุขสมาราณจุไม่มีทุกข์ีมรมเบาต่างๆท่านก็ยอมรับแล้วกราบเรียนฐานว่าอยากจะอยู่ ต, ตรงนี้ ให้กระตับว่าเธอน่ามีสิทธิ์อยู่แน่แต่ว่าการเวลายังไม่ถึงขอถึงการเวลาก่อนก็กราบเรียนเพื่อว่าไม่จะลุกเค้นเวลาตามที่ปลาลดมาก็คิดว่าถ้าบะเอินร่างกายมันพังวันนี้ก็ขออยู่วันนี้ท่านจะยอมรับหรืท่านบอกว่าร่างกายมันพังจริงก็อยู่ได้เลยแต่ฉันคิดว่ามันจะไม่พังทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายมันจะต้องดีขึ้น งานข้างหน้ายังมีมากงานที่ให้ทำยังมีเยอะต้องทำเพื่อความสุขของบรรดาปวงชนพนทีพระพุทธศาสนาเวลาเขาเข้ามาในเทศหนึ่งให้มีความสุขตามสมควรรายการนี้สองเป็นการช่วยกำลังใจเกิดความเรื่มใสอันนี้มีความจําเป็นต้องทำที่ให้เธอทำเพราะเธอมาจากพุทธกูม งานนี้เป็นไงนของพุทภูมเธอต้องรับภาระก็กราบยนบอกว่าภาระอันนี้รับมานานแล้วไม่เบื่อพร้อมที่จะทำแต่คอยร่างกายดีท่านก็นยืนยันบอกว่าร่างกายต้องดีจากนี้ไปมันมีทุกเวทนาเครียดอีกสองสามวันท่านบอกเลยอาการอย่างนี้อย่าปรากฏอีกสองสามวันเมื่อถึงวันที่ยี่วันที่สิบหกมกาคมสพันหรอยาิสอง อาการจะคลายตัวหลังจากวันที่สี่หกไปแล้วจะคลายเรื่อยๆไปแต่คำว่าหายเลยมันยังไม่หายเพราะว่ากฎของกรรมยังมีการบังคับอยู่ยังอยู่ในขอบเขตแต่เบาขึ้นก็ชินใจคุยกับท่านครู่หนึ่งก็หันมานั่งอยู่ที่บ้านพักเห็นบ้านพักเต็มด้วยความสวยสดสงามมันสวยมากขึ้นกว่าเก่าเยอะ พิาการนิจิตพิสดานมากก็มีความสดชื่นมีความสุขมีความสงัดเดินไปดูหลังน้ยก็ดีดูหลังนี้ก็ดีเดินบริเวณกว็าตามมันมีแต่ความสุขสงัดเวลานัในกับรกักก็มีคนหลายคนในแดนนั้นเปล่งปลั่งสวยสดงดงามผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างต่างก็มาเยี่ยมเขาไม่ได้มาเยี่ยมใคร เขาไม่เยี่ยมความมุ่งหมายซะอันดับสุดท้ายเขาดีใจว่าอันดับสุดท้ายที่จะอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาเขาอยู่ในเขตนี้ท่านผู้นั้นท่านผู้นั้นก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปัญญาเก่าบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นลูกบ้างเยอะแยะทุกคนมีความสุขจากประเดี๋ยวหนึ่งกระปลายกุพระท่านมาทั้งสององค์ ท่านมาถึงก็ประทับบนแท่นแท่นเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้ในบรรดาแท่านพุทบ ร, ริษัทในแดนนั้นมีอะไรพิเศษอยู่อย่างหนึ่งถ้าสิ่งใดที่ควรสิ่งนั้นมันจะเกิดเอืงทันทีทันใดอย่างถ้าจะนั่งตรงไหนเราจะนั่งกับผ้า พ, พื้น่เขาบอกไม่ควรต้องมีแท่นรับแท่นจะขึ้นมารับเมื่อท่านมาถึงท่านบอกว่าคุณเราไปเที่ยวสำนักพญายมกันเถอะ ถ้วเวลานี้มีคนบคุคคลสําคัญที่เราจําเป็นต้องช่วยก็อยู่ที่นั่นถามท่านว่าใครท่านบอกไปเถอะฉันจะไปด้วยก็เป็นอันว่าทั้งหมดก็ยกกระโยนกโยกขบวนกันกมาทํา น, นักาว่ายายยมมาถึงก็แปลกดว่าคณะท่านท้ามาราธันยู่เต็มอยู่แล้วไปเข้าไปถึงที่นั่นท่านว่ายายมาายมักละไงของท่านเอามารับพระ ขอโทษดื่มน้ำ <c oughs> แล้วก็ท่านกลาวแล้วท่านก็รายงานบอกว่าวันนี้มีคนสําคัญสองคนที่ผ่านเข้ามาในสํานักของท่านแต่ความเพิงไม่น่าจําเป็นจะต้องผ่านแต่ก็ต้องผ่านเพราะเกิดอุปัติเหตุถามท่านว่าใครทา่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนก็จะสั่งเจ้าหน้าที่บอกไปนําคนนั้นเข้ามารับคิวมาเลยไม่ต้องรอคิว ที่การสอตว์สนีหยเขาต้องรอคิวบุคคลนั้นเข้ามาเขาลาวบอกกฏว่าเป็นคนหนุ่มหนุ่มมากอายุประมาณยี่สิบปีเสร็จเสร็จเป็นคนขาวโปร่งหน้าตาดีถ้าเดาๆานะก็รจริงถ้าไม่เถิหน้าก็จะเดาที่มันมีเชื้อจีนนิดนิดจะดูพ่อดูแม่ของเธอก็เป็นคนขาวเป็นคนโปร่งเขาไม่ใช่เไม่ใช่เชื้อจีน พอเข้ามาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทำการสอบสวนไม่เหมนคนอืน่นเขาส่งมาให้พยาญยมเลยพยายมก็ส่งออกมานอกอคอกเอามานอกอคอกที่พวกเรานั่งกันพระนั่งกันเธอก็ก้่มลงกราบพระก็มากราบปฐมมาถ้ากราบทุกทุกท่านกราบรวมที่มาอยู่ที่นั่นเพราที่นั่นตั้งแต่ยาตุมาร่ขึ้นไปเป็เทวดาทุกทัาน พยาโยมท่านก็ถามท่านบอกว่าเธอเน่ะเวลาตายไม่ได้นึกถึงพระหรือเธอคนนั้นก็ตอบว่าไม่ได้นึกถึงก็รับท่านถามว่าทําไมจึงไม่นึกถึงเพราะเธอตั้งใจจะเป็นพระใช่ไหมเธอก็ตอบว่าตอนต้นตั้งใจจะเป็นพระครับก็เลยถามทวนไยหลังอัตมาถามแทรกนิดหนึ่งเขาบอกว่าคอยเธอเล่าประวัติความเป็นมาที เธอก็เลาบริารคาเป็นมาว่าเธอาอายุยี่สิบสามปีตั้งใจจะบวชพ่อกับแม่เตรียมเครื่องครบชุดแล้วอีกสองวันจะถึงวิดีเข้าอุปสมบท <c oughs> เธอก็ตั้งใจแน่ๆแนว่าจะบวชสักหึงรรษาเป็นอย่างน้อยถึงวิฉะนั้นก็ถึงสามรรษาถ้าสามารถบวชได้ตลอดก็จะบวชตลอดพ่อแม่ก็ไม่ญาติแล้ว เธอที่กะไว้น้อยก็หมายความกะไว้น้อยให้ตั้งหน้าต่างตาทาความดีให้มากคิดว่าเป็นสาแรากจะเป็นมาสาฝึกฝนตนเองให้ตั้งอยู่ในขอบเขกของวธรรมวิ น, นัยถ้าสามารถทรงตัวได้ก็จะอยู่ทั้งสามเป็นาถ้าสามเป็นสาไปแล้วถ้าไมัสืบจิตใจพร้อมเต็ ม, เ ป, มเปี่ยมเต็มใจในการอยู่มีธรรมปีติพอทั้งคนก็จะอยู่ตลอดชีวิตเธอตั้งใจไว้อย่างนั้น แต่ว่าก่อนจะตายจริงๆออกไปทางหลังบ้านไปเพื่อจะหาเพื่อนเวลานั่นถูกงูเห่ากัดงูเห่ากัดพิษมาแรงเร่งกระตังกายมันเจ็บปวดมากเธอเคบอกอนั้นตอนนั้นไม่ได้นึกถึงอะไรเลยอาการที่คิดว่าจะปวดก็ไม่ได้นึกถึงแต่ก็ไม่นึกถึ ง, ถถ ง, ถงมันมีแต่ปวดอย่างเดียว <c oughs> ในเมื่อมันมีจะปวดอย่างเดียวเขรักษาเท่าไรก็ไม่หายใ น, นที่สุดไม่ใช่ก็ตายไม่กันข้ามคืนเธอก็ตายเวลาที่ตายก็รายกลคบบคนสี่คนนุงแดงค่มแดงเธอก็ชี้ไปที่เทวดาสี่องค์ก็เลยบอกว่าท่านทั้งสี่องค์นี้ไปรับครับ <c oughs> เวลาไปรับท่านก็รับดีๆให้เดินตามมาเฉยๆ <c oughs> ไม่มีการบังคับไม่มีการขูเข็น มาถึงก็มารอการสอบสนยุคนี้สามวันของมนุษย์แล้วเพื่อคุณเจ้าก็มาวันนี้ผมดีใจมากจิตใจผมอยากจะบวชซะแต่ผมก็ไม่ได้บวช <c oughs> แต่วันนี้ผมมีโอกาสได้นำมรส ก, การพระที่มีความสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาทั้งสององค์ท่านที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตัวอธตมานะมีพระอีกสององค์ ที่มีความคือสคัญมากในพระศาสนาเธอหันพระเธอหันปร ก, กาศเธอไม่กลบาบพระเธอยงกว่ายิ้มและเธอก็บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะนําไปไหนก็พร้อมจะไปเขรับในเมื่อได้มีโอกาสาดได้กลบาบพระที่มีความสําคัญตามความตั้งใจแล้วพระยาโยนเธอจะบอกว่าอา น, นิสงส์ในการบวชของเธอมีอ การเข้ามาที่นี่มาดนหมายความไม่ต้องไปนรกทุกคนเป็นดินแดนที่ช่วยคนไม่ต้องการให้ลงนรกถ้าใครคนใดคนหนึ่งนึกถึงบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่อย่างเดียวได้ที่นี่ก็ปล่อยไปสวรรค์ก่อนหลังจากนั้นเทอรทยายยงก็บอกว่าตอนนี้ไปหมดภาระของฉันหน้าที่ใงการควบคุมเธอไม่มีตอนนี้ไปเธออิสระ ไปได้ตามกําลังบุญของเธอบรรดาแทนพุะตวริษัตย์เพราะวิญญาณผู้ต <c oughs> ่ น, นั้นร่างกายของเธอเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจากความเป็นคนเป็นเทวดามีความสวยสดงดงามมากมีเทวดาแหลมเปียกสดตรงดีหน้าตา ย, ยินมแย้มสดใสมีความสดชื่นหลังจากนั้นไปก็มีเทวดาสี่องค์อีกเซลต่างหางแต่งตัวสวยงามมากมีสะดาพร้อม แพระพายปิยักษ์ก็นำเธอไปส่งที่ีมัยของเธอบนสวรรค์ขั้นดาวปรเดงสัตย์โลกเวลานั้นพระทั้งกบไปด้วยทุกคนก็ไปเทวดาก็รู้สึกแห่ไปเป็นขบวนมัยของเธอกว้างใหญ่ไพศาลมากมีความสุขสดุงามเป็นพิเศษหลังจากนั้นมื่กิการเรียบร้อยแล้วพระทั้งวัดถามพระเป็นอ ก, กว่าการคนที่คิดจะบวช แต่เขายังไม่ได้บทอารมณ์นี้เป็นมหากรุสชใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่ครับเกีรเรียนถามว่าอดีตสง์การบรรญัิเาอุปสมบทการบรัญชาเขาจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าการโออดีตสงอุปสมบทกา ร, รมัญชาบรญญชาเนี่ยเขาได้สมบูรณ์แบบกีรติเรียนถามว่าด้วยความสงสัยจริงๆความสงสัยจริงไม่ได้พูดกับท่านนะนี่พูดให้ท่นานหลาฟัง วาตมานี่สงสัยว่าคนมันยังไม่ได้บวชจะได้ดที่สงฆ์มรชาครบทพบมั้นคนบวชไหมท่านบอกได้ครบเขาตั้งใจว่าจะบวชแล้วเขามีการเตรียมการแล้วทุกอย่างจะได้บบท่านการตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจแล้วว่าถ้าบวชปีแรกจะทําให้ดีที่สุดถ้าดีสมบุญบริบูรณ์และจะอยู่ให้ครบสามปี ถ้าสามปีดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะอยู่ตลอดชีวิตเขาตัดสินใจเด็กขานี้ถือว่าโบยใจแล้วโบยจะร่างกายใจใจไม่โบยเนี่ลงนรกนับไม่ถ้วนแต่คนที่โบยใจร่างกายยังไม่โบยไปสวรรค์ปณิพันธ์นับไม่ถ้วนเหมือนกันเมื่อท่านปฏิญาณนั่นก็หมดสงสัยกลมกล้าว่าบรรดาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้ก็ไม่ต้องคุยกันมาก เพื่อเพียงบอกว่าคนที่ตั้งใจจะทําบุญทุกคนตัดทิ้งใจแล้วว่าทําบุญ อ, อันนี้สงย่อมได้อย่างเปชกาดีพิดาเธอทําบุญแล้วคุณนั้นทําบุญแล้วนีสาตธกีเทวธิดาเตรียมแล้วแต่ยังไม่ได้ทําบุญตายจากความเป็นคนเป็นนางฟ้า ท, าทันทีมีวิมานโยทันทีสําหรับคนนี้ตั้งใจจะบวชก็เป็นการบรรดาท่านพุทธบริษัท เขาพร้อมแล้วในการบวชไม่ใช่สแต่ว่าคิดว่าจะบวชแต่การบวชไม่ได้บวชตามประเพณีการบวชตามประเพณีนี้ไม่แน่ในอริสงตัดสินใจตามนี้แล้วพระาะบอกอริสงสมบูรณ์แบบนี่เป็นรายที่หนต่อมาท่านพระจะบอกกลับไปที่เดิมใหม่ไปที่นักปัญญายยมพ็กลับมาอีกเวลานี้เวลาเหลือแปดนาทีบรรดาท่านพุทไหัวขัด มาถึงแล้วพายายมก็รยายงานบอกว่ายังมีคนที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็เรียนถามนีนบอกว่าถ้าคนนั้นเป็นใคร <c oughs> ถ้าจะนำเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขาปโปรงรูปร่างหน้าตาดีอายุสี่ขวบออกมาจะบอกว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นโรคท้องร่วงตาย ตายเมื่อวานนี้เองเพิ่งตายใหม่ๆอยู่ไม่ไกลนักถามแล้วบอกว่ามีความสําคัญยังไงได้อบอกว่าเป็นนหน้าที่ของพระท่านจะบรรยาย <c oughs> ก็เมื่อนาเด็กหญิงคนนี้มาแล้วเด็กยญิงนี้มาก็เข้าไปไหว้สาท่านเธอไหว้เรียบร้อยจริยาดีมากสงบเพ่งเยี่ยมเรียบร้อยแก็อ่านมาไหว้แต่มา ร้องก็ไหวเทว ด, ดาทั้งหลาย <c oughs> หลังจากนั้นตะเด็ดกคุณกาถามเด็ดเล็กคนนี้นว่าหนูเกิดที่ไหนเธอก็ตอบว่าเกิดไม่ไกลจากวัดท่านเทรวรเาชเก่ะระยะทางไม่เกินร้อยกิโลเมตรความจริงเธอบอกจังหวัดบอกบ้านที่อยู่เหมือนกันบรรดาท่านผู้บริสัทธ์เพราะว่าตามระเบียบเสียงมาบอกว่าสงวนไว้ อย่าบอกที่อยู่แน่นอนเราไม่ใช่พระมกคัลลาพอโทษวันนี้กระไรไม่ใหมมากกอแห้งตรงหลังนี่ก็เป็นว่าถามว่าหนูเป็นโูกอะไรตายเธอบอกเป็นโลกทองร่วงตายถามว่าหนูเมื่อขณะที่ตายหนูคิดอะไรเธอตอบว่าหนูเคยไปถวายสังฆทานกับแม่ หนูเคยไปเจริญกรรมฐานกับแม่พอเธอพูดท่า น, นี้ก็ตกใจเ <c oughs> ล่นเล็กคือมันได้เห็นเลกเห็นภาพเด็กเล็กๆอายุประมาณสี่ปีถ้าทางสุภาพเรียบร้อยทํางานทุกสั่งทุกอย่างเรียบร้อยมาก <c oughs> แต่ทุกอย่างนี่ทําออกมาและทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรต้องเกือนกันอย่างที่ว่าหนูน้อยคนนี้ทำยยํำไมอายุน้อยนัก ถ้าถามว่าเวลาหนูจะตายหนูคิดอะไรเธอบอกว่าเวลาก่อนที่กระก่อนป่วยนะชอบเดินกรรมฐานไปเที่ยวนอนไปเที่ยวนี่แต่เวลามันป่วยจริงก็นึกไม่ออกท้องมันเดินมากมันร้อนในท้องแล้วก็ปวดท้องมากอิกก็คิดอยู่แค่ปวดท้องอย่างเดียวเมื <c oughs> ่อเวลาจะตายดูเสียงตึงตังคงความตกใจนิดหนึ่ง กก็เอาจากร่างเห็นลุงทั้งสี่ลุงประเยนรับลุงคนหนึ่งจะนอนสี่องค์เขาเอาเขาอ้อมดอกหนูไปกับลุงเถอะลุงจะมารับไปหลวงใจดีหลวงอ้มหนูหนูก็กอดคอลงลุงก็นามาหาลงใหญ่แล้วลุงใหญ่ให้ไปพักตนโน้นในต้งคนตร้งคนที่พักไม่ไปพักแบบกระไม้เขาไม่มีโซ่ไม่มีโซนเป็อิสระทุกอย่าง มีความสุขพอสมควรแต่ไม่มีอาหารกินก็ถามพระแต่ว่าเด็กคนนี้มีความสำคัญหรือถ้าบอกมีความสำคัญมากเพราะเด็กคนนี้ถ้าอยู่ต่อไปเบื้อหน้าถ้าอยู่เป็นมนุษย์นะก็จะสามารถตัดสังโยชน์ห้าได้ฟังแล้วอายเด็ก ว่าไอ้หนูน้อยตัวเล็กๆเท่านี้ต่อไปเบื้องหน้าที่จะตัดสัญญอดได้รูปร่างหน้าตาเธอก็สวยสุดงก็ดีแต่ว่าที่จะจําเป็นต้องตายนี้พระบุญช่วยให้ตายพอท่านตัดแบบนั้นก็ตกใจยึ่งกราบเรียนถามว่าเป็นเพราะอะไรบุญช่วยอาจจะมีชีวิตอยู่นานท่านก็บอกบุญช่วยบุญคือที่ที่จะสามารถตัดสัญญอดได้จะมมีสองรายายคือว่าหนึ่ง อดีสงเต็มพร้อมในการตับสัญญุกและประการที่สองเธอขาดอธิษฐานบารมีถ้ามีอธิฐานบารมีหวังตั้งใจพ้นอิปามนมาได้ใช่ก่อนแ่ะสม่ำเสมอเธอจะยังไม่ต้องไม่ตายเพราะว่าเธอจะสามารถอยู่ตัดสัญญุกได้แต่ว่าเธอขาดอธิษฐานบารมีในเมื่อขาดอธิฐานบารมีรูปร่างหน้าตาเธอก็สวยทรวดทรงก็ดีจริยาก็เรียบร้อย ฐานบิดามันได้ก็ดีย่อมไปที่ต้องตาต้องใจของคนฉะนั้นกรมาคุณสามารถจะเดียดเย็นเธอซึ่งจะไม่ทำจะไม่สามารถมีโอกาสเข้าตัดสัโยชน์ได้เมื่อเมื่อบุญใหญ่เห็นว่าไม่มีมีมีความต้องการอย่างนี้เข้ามาตัดให้เธอตายถามว่าเธอตายเธอแล้วเธอสามารถจะตัดสัญญอด้าไปการได้ไหมได้ก็บอกว่าตัดห้าได้แล้วก็ตัดคิดได้ตัวต่อไปข้างหน้าท่ออะไร การเกิดเป็นเทวดาได้เป็นผมได้เป็นนางฟ้าก็ตามมีโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลต่อเทวดากัพทมนี้ฟังเทศจากพระอริยเจ้าก็ตามฟังเทศจากพุทธเจ้าก็ตามบรรลุมรรคผลนับไม่ถ้วนมากกว่าคนเด็กคนนี้ตายด้วยกำลังกุศลด้วยกำลังกุศล ส, สนับสนุนยิงมีความจําเป็นต้องมารับในการมารับวันนี้ก็มาครบถ้วนอย่างฉัน เป็นต้นศาสนาตัวท่านนัมพิยธรตมานะเป็นต้นศาสนาเขาท่านก็มารับพระอริยะสาวกที่เป็นอรหันต์ก็มามากเป็นสิกานาคามีก็เยอะเป็นสกิทาคามีก็เยอะเป็นโสดาบันก็เยอะเป็นเทวดาหรือภูมิชันโลกีก็มากเรื่องความ่ามาพร้อมกันทั้งหมดอย่างนี้บุญเธอใหญ่ยังต้องมาเกิดในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเธอต้องเป็นนางฟ้า บุญบารมีนี้สง่งผลให้เธอเป็นคนที่ไม่ประมาทจะสามารถปฏิบัติตักกิเลเสไปยสมบทบาททหารได้อรบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาพูดเรื่องความตายอีกแต่ตายดีคนแรกตั้งใจใจะบวชตายแล้วก็ดีเด็กน้อยคนนี้แม้จะเป็นเด็กเล็กเคยเห็นถวายสังฆทานเป็นปกติมากับแม่ขอเดียวหมายความว่าต้องขอวิสระ พอกับแม่ถวายแล้วเธอต้องถวายพิษตาเป็นส่วนตัวน้เด็กหญิงวันนี้เรินกันมาถานคล่องมากเคยเรียกมาถามจำหน้าได้เนี่ยอยู่ใกล้ใกล้หม่ยไกรนะก็ไม่เคยร้อยกิโลเมตรเคยเรียกมาถามเธอเวลานั้นมีวันหนึ่งมีคนเขาเกิดสงสัยในการเห็นนันเห็นนี่เห็นไม่เห็นอสวรรค์นรกสงสัยสวรรค์นรกเป็มาโลกตายแล้วมีเที่ยงไหม เลยเรียกเด็กคนนี้มาถามเธอที่บายได้ค่องมากถามเธอตจนวิธีปฏิบัติเธอได้อะไรบ้างเล่าให้ฟังเถอะเธอก็เล่าฟังตามที่เธอพบมาทุกอย่างเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่คนนั้นในขณะนั้นหมดสงสัยแล้เพื่อเพิ่มสงสัยก็ไม่สาตเธอก็เลยนิ่งอรามันดาท่านพุทธไวษัท ช, ชายหญิงอย่าพูดต่อไปก็ไม่ไหวแล้วขอทุกท่านถือว่าการปฏิบัติตามที่เขาผ่านมาแล้วนี่นะ เรื่องทีกลามาแล้วนี่เป็นประโยชน์ถ้าว่าท่านจะนำไปใช้บ้างก็จะดีในที่สุดนี้เวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีบรรดาท่านผู้โดยสารต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแดดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี